ทรงระลึกชาติในหนหลังได้ว่าเราคือพระองค์เข้าถึงชาตินี้เคลื่อนจากชาตินี้แล้วก็ไปเข้าถึงชาตินั้นเคลื่อนจากชาตนั้นแล้วก็เข้าไปถึงชาติโนนมาโดยลำดับ ตนถึงในชาติปัจจุบันดังนี้ฉะนั้นคำว่าเราคือพระองค์ที่ตรัสถึงนี้จึงเป็นภูที่ถือชาติพบต่างๆ มาโดยลำดับแล้วก็เป็นเราคือพระองค์ซึ่งเป็นเรียกว่าคนเดียวกันไม่ใช่ต่างคนกันจึงมีปัญหาว่าเราคือพระองค์ที่ตรัสถึงนี้ได้แก่อะไร สิ่งที่ตรัสถึงนี้ต้องไม่ใช่ขันธ์ห้าเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าขันธ์ห้านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับคือไม่ใช่รูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ห้าอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแตกต้องสลาย ต้องมีชาติคือความเกิดและต้องมีมรณะคือความตายฉะนั้นเราที่ตรัสถึงนี้จึงไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่เมื่อเป็นชนิดจะเป็นอะไรก็ประจับพิจารณาดูในพระญาณที่สองคือตูตูปปาตญาอย่างโลก ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมสัตว์เราใดที่กระทํากรรมชั่วไว้กายแตกทําลายก็เข้าถึงทุกขติคือกติที่ชั่วสัตว์เราใดที่ประกอบกรรมที่ดีไว้ กายแตกทำลายไปก็เข้าถึงสุขคติคือกติที่ดีดังนี้เพราะฉะนั้นคำว่าเราที่ตัดถึงในพยานที่หนึ่งมาถึงพยานที่สองก็ทรงใช้คำว่าสัตว์ที่แปลว่าผูกข้องคือผูที่ยังข้องติดอยู่ ยังมีตันหามีอุปาทานอยู่ภูนที่ยังข้่องยังมีตันหาอุปาทานอยู่ก็ชื่อว่าเป็นสัต์สัตตะหรือสัตวะในคาว่าสัตวโลกคำว่าสัตนี้บางทีมาใช้เรียกสัตว์เดรัจฉาน เป็นเดรัจฉานยังเรียกว่าสัตว์ถ้าไม่ใช่เดรัจฉานก็ไม่เรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าบุคคลแต่ว่าตามภาษาธรรมะนั้นคำว่าสัตว์หรือสัตตวะนั้นครอบหมดเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานยังมีกิเลสอยู่ก็เรียกว่าสัตตวะ รสตัตะท้งนั้นและสัตวะหรืสตัตะนี้เมื่อเป็นภูมิมุ่งความตรัสรู้ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้และได้รับพุทธภยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง มาว่าภูนี้จะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปข้างหน้าและก็ได้ปฏิบัติอยู่ในพุทธกาตกระทารรคือทรรมที่จะกระทาให้เป็นพระพุทธเจา้าอันได้แก่บารมีทั้งสิบก็เรียกว่าโพธิสัตว์ยังเป็นภูข้องภูติดยังมีตันหาอุปาทาน แต่ว่าก็ได้ปฏิบัติในพุทธการกรรมมุ่งพระโพธิญาณเรียกหรือเรียกว่ามหาสัตว์ที่แปล ว, ว่าเป็นสัตว์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หมายในทางดีก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้น ในทางธรรมคำว่าสัตวะหรือสัตว์นั้นจึงมีความหมายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในฉานไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกจกเปรตอสุรกายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเมื่อยังมีกิเลสเป็นเหตุให้คลองติดเป็นต้นว่ามีตัณหามีอุปาทานอยู่สัตว์ทางนั้นเป็นสัตว์ตะวันกทางนั้น เพราะฉะนั้นตามพระบาลีที่ตรัสเอาไว้ก็พบสองคำนี้เท่านั้นในปฐมในในพระยานที่หนึ่งก็ทรงใช้เรียกพระองค์เองว่าเราเคลื่อนจากชาตินี้ไปสู่ชาตินั้นดังนี้เป็นต้นมาถึงพระยานที่สองก็ทรงใช้คําคว่าสัตวะหรือสัต ทุกๆคนเมื่อยังมีกิเลสมีตัณหาเมตุธาตอุปาทานอยู่ก็เรียกว่าสัตวะหรือสัตตะทางนั้นอะไรเป็นสัตวะหรือสัตตะนั้นทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสมมติเรียกกันสิ่งอย่าสมมติเรียกกันว่าจิตเรียก่าพิญ ญ, ญาณหรืออะไรก็ตามหรือเรียกว่าอัตตาตัวตนอะไรก็ตาม แต่ก็ต้องหมายถึงสภาพอันหนึ่งในทุกๆคนนี้เมื่อขันห้านี้แตกสลายไปแต่ว่าสภาพอันนั้นไม่แตกสลายยังไปถือภพถือชาติต่อไปแล้วก็เป็นบุคคลเดียวกันนี่แหละไม่จ่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงทรงสามารถบำเ พ, พ็ญพระบารมีสืบต่อกันได้ เรานี่สภาพดังกล่าวนี้เองที่ผ่านภพชาติมาเป็นอันมากนั่นและก็ได้บาเพ็ญบุญบ้างบาปบ้างบุญบาปที่บาเพ็ญไว้นั่นก็ติดมาพร้อมทางกิเลสจะเรียกว่าติดตัวมาสมมติเรียกว่าตัวหรือตนก็ได้เรียกว่าสัตว ก็ได้หรืออะไรก็ได้อันเป็นสภาพที่สืบต่อกันมานั้นเนียเมื่อยังเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องถือชาติถือพบกันต่อมาก็มีกิเลสมีบุญมีบาปอันเป็นตัวกรรมติดมา และเมื่อบำเพ็ญในปัจจุบันจะเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามบุญบาปที่บำเพ็ญไว้นั้นก็ไม่หายไปยังอยู่กับผู้ทำเซึ่งจะให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เราทำดีจักใด้ดีเราทำชั่วจากได้ชั่วแต่ว่าสิ่งอื่นนั้นไม่จัดว่าเป็นของของตนชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่จะเป็นของของตนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่จะเป็นของของตนอะไรก็ไม่เป็นจะเป็นของของตนทางนั้นแต่ว่ากรรมที่กระทาไม่เป็นของของตน และยังจัดไว้อีกว่าบุคคลผู้จะต้องตายทําบุญด้วยบาปด้วยทั้งสองอันใดไว้ในโลกนี้ก็ย่อมนำเอาบุญบาปที่ทําทั้งสองนั้นไว้ไปอันหมายความว่าเมื่อกายนี้แตกสลายก็นำเอาบุญบาปทั้งสองนี้ไปดังนี้ก็แปลว่า สภาพที่ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ซึ่งนำเอากิเลสนำเอากรรมที่กระทำไว้ไปและได้รับผลของกรรมที่กระทำไว้นั้นไปโดยลำดับ ได้ผ่านพบชาติต่างๆมาเป็นอันมากนับไม่ถ้วนาะฉะนั้นสภาพดังกล่าวนี้จึงเป็นที่เก็บสังสมทั้งกิเลสและทั้งบุญทั้งบาปเอาไว้ได้จนกว่าจะสิ้นกิเลส ไม่เกิดอีกก็เป็นอันวันเสร็จสิ้นแต่ในขณะที่ยังไม่สิ้นกิเลสต้องเกิดอีกสภาพดังกล่าวนี้ก็เป็นที่เก็บเป็นที่สั่งสมทั้งกิเลสทั้งบาปทั้งบุญที่งเดชกระทำเอาไว้อันนี้เองที่ทุกคนมีสภาพอันนี้อยู่ด้วยกัน สภาพเป็นเราหรือว่าสัตตภาวะสภาพเป็นสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่ด้วยกันซึ่งได้ผ่านภาพชาติพบทางหลายต่างๆมาเป็นอันมากนับไปทุ น, ทนแต่วันนึกไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิ อย่างสูงที่จะทำให้ระลึกได้และที่จะทำให้ระลึกข้ามพศข้าม า, า, าพบข้ามชาติไปได้นั้นจะต้องมาถึงตัวปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วว่าคู่กับสติเมื่อมีสติมีสมาธิก็ย่อมย่อมจะทำให้ได้ปัญญาที่เป็นความรู้ เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงก็ย่อมจะได้ปัญญาคือตัวความรู้ที่เป็นเหตุให้ได้อนุสติคือตามระลึกถึงอดีตได้เมื่อน้อมใจระลึกถึงไป ก็ย่อมจะระลึกถึงในอดีตจนถึงข้ามพพข้ามชาติเป็นระลึกชาติได้แต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาที่จะทำให้ระลึกข้ามชาติข้ามพพได้ดังนั้น ปัญญานั้นก็จะทำให้รู้ทั่วถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตั้งตนแต่ให้รู้ทั่วถึงในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้ทั่วถึงกษัตว์คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกและแม้ว่าจะได้สมาธิอย่างสูงยิ่งได้สติที่ดียิ่ง ทำให้ในปัญญาอันเรียกปัญญ า, าคือความอย่างรู้ญาณคือความอย่างรู้นี่หมายความว่ารู้อย่างลงไปเหมือนอย่างอย่างน้าทะเลลึกอย่างลึกลงไปเมื่อมีความสามารถ ก็ยังลึกลงไปได้จนถึงที่สุดของความลึกยานคือความยังรู้นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตัวปัญญาที่ยังรู้ลงไปได้และอาการที่ยังรู้ลงไปได้นี้ก็คือว่าอาการที่ตามระลึก คือนึกได้ลึกซึ้งคือไกลออกไปตามอำนาจของญาณคือความยังรู้แต่แม้ว่าจะระลึกยังลงไปได้ลึกซึ้งเห็นสาวไปในอดีตได้ไกลแต่เรจนถึงได้ญาณที่สองรู้จุดติและอุปบัติ ความเคลื่อนในความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปนตามกรรมแต่ก็ยังละกิเลสไม่ได้แม้ได้ยานสองข้อนี้ก็ยังละกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏมาในอนดีตเป็นอันมากว่ามีภูปฏิบัติธรรมะเป็นฤาษีชีไพรได้ยานที่ระลึกชติได้ และได้ญาณที่ยังรู้ถึงความจุดอวบัตของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรับแต่ว่าได้เพียงเท่านั้นก็ยังละกิเลสไม่ได้เมื่ อ, อยังละกิเลสไม่ได้ญาณคือความยังรู้นี่ก็ยังเสื่อมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่บังเกิดขึ้นในโลกแม้ว่าจะมีผู้ได ยานทั้งสองข้างต้นกันมาแล้วในอดีตก่อนเนี่ยพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นก็ตามแต่ไม่ได้ยานที่สามคืออาสวะขไ ย, ยาญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะแล้วพุทธเจ้านั่นได้ทรงได้จนถึงพระยานที่สามเพราะไม่ทรงติดอยู่ในยานสองข้างตนว่าพอแล้วเก่งแล้วสามารถแล้ว แต่ว่าทรงพิจนารณายิ่งขึ้นต่อไปทรงสแสวงหาต่อไปยานที่ระลึกชาติได้อันเป็นพระยานที่หนึ่งนั่นก็ทําให้รู้ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดมานานนักหนายานที่สองก็ทําให้รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรม กรรมดีก็เวีไนว่ายตายเกิดไปในทางดีทรงเห็นทุกข์ว่าความเวีนว่ายตายเกิดทั้งปวงนั้นเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเหตุเกิดทุกข์ก็คือเห็นสมุดไทยตัณหาความริ้นนนทยานอยากความยึดถืออันสืบเนื่องมาจากอาวิชชาทรงเห็นความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาเสดได้ เห็นมรรคทางปฏิบัติก็คือมรรคไม่องแปดทรงเห็นอาสะวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดาลเหตุเกิดอาสะวะก็คือตัณหาเป็นต้นนั้นนั่นแหละความดับอาสะวะก็คือดับตัณหาเสดได้ทางปฏิบัติ ท, ที่ถึงดับความดับอาสะวะก็คือมรรคไม่องแปดกิเลสจึงสิ้นไปเมื่อกิเลสสวัตตะเวียนวนคือกิเลสสิ้นไปกับ กิเลสสิ้นไปกรรมวัตะมนคือกรรมก็สิ้นไปวิบากรรวัตะผลคือความเกิดต่อไปก็สิ้นไปจึงทรงเป็นพุทธโธผูตรัสสโรสิ่งกิเลสและกองทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้น ปัญญาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นี้จึงเป็นปัญญายอดที่สุดที่ภูมิปัญญาทั้งหลายจะพึงได้พึงถึงไม่มีที่จะยิ่งไปกว่าปัญญาที่เป็นประสมมาสมโพธิญาณนี้บังเกิดขึ้นจาก พระโพธิสัตว์ซึ่งได้ทรงปฏิบัติมาจงทรงพบทางและได้จัดสรู้ด้วยพระองค์เองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปจักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 สังวรคือป้องกันอาสวะทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าภูสิ้นอาสวะ และพระอระหันตสาวกทั้งหลายก็ได้นามว่าภูสิ้นอาสวะจ า, าบรบาลีว่าขีนาสวะที่แปลว่าภูสิ้นอาสวะแล้ว คำว่าอาสวะนี้ก็เป็นกิเลสชนิดที่ละเอียดซึ่งดองจิตสังดานของสัตว์บุคคลทั้งหลาย อยู่ทั่วหน้าเมื่ อ, อยังละไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นบุทุชนอันแปลว่าคนหนาซึ่งมีความหมายว่า มีกิเลสหนานแน่นอยู่ก็ได้หมายความว่าจำนวนมากก็ได้และบุตุชนนั่นเมือ่อยังเป็นภูมิกิเลสหนานแน่นมาก จนถึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประกอบกรรมที่ชั่วช้าลามกอยู่เป็นอนจินก็เรียกว่าอันธภาลบทุชน คือบุตุชนคนมีกิเลสหนานน่นที่เป็นผู้โง่เขลาเหมือนอย่างคนตาบอดก็คือขาดปัญญาเอาเสียจริงๆไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไร คนที่เขาปัญญาจริงๆไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังกล่าวนี้จึงประกอบอากุศลกรรมต่างๆอยู่เป็นอาจิน ก็เรียกว่าอันภาละหรืออันทพานคำว่าผานนั้นภาษาไทยมักจะเข้าใจกันว่าคนที่เกเรเม่พึ่งไม่ดีหาเรื่องทะเลาะเบาแวงประทุษร้ายบุคคลอื่นอยู่เนืองเนือง ก็มักจะเรียกกันว่าผานตามศัพท์นั้นผานแปลว่าเคลาแปลว่าอ่อนแม้เด็กอ่อนที่ยังไม่รู้เรียงสาอะไรบางทีก็เรียกว่าพาละกะหรือผานเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยใช้เรียกกัน มักจะเรียกมุ่งเอาถึงภูที่ควรจะรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไดบ้างแต่ก็ไม่รู้มีจิตใจที่เขามืดมิดน้อยหรือมาก ธรรมา ก, ก็เรียกว่าอันธพาลคือมีอันทะที่แปลวัดคนบอดคือคนตาบอดเทียบเหมือนอย่างว่าตาบอดมองไม่เห็นอะไรแต่ในที่นี้หมายถึงใจบอดใจที่มืดเม็ดไม่มีปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะให้มองเห็นอะไร ก็เป็นอันตราระบุตรชนคราวนี้เมื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังมืด เป็นส่วนมากแม้จะสว่างขึ้นบ้างเรียกว่ายังมัวมัวยังมัวมากพอจะรู้จักบาปบุญคนโทษอะไรบ้างแต่ก็ยังละบาปบำเพ็ญบุญหรือละความชั่วบำเพ็ญความดี ไม่ได้ตามสมควรก็เป็นบุธุชนทั่วทั่วไปไม่ถึงเป็นอันภานดังกล่าวส่วนบุธุชนนั่นเองซึ่งได้สะดับตรับฟัง ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รับคำแนะนำอบรมจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ปัญญารู้จักบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แจ่มแจ้งขึ้น จนถึงสามารถละบาปบาเพ็ญบุญหรือละความชั่วบาเพ็ญความดีละอกุศลบาเพ็ญกุศลขึ้นได้ตามสมควร